นับแต่วันนี้ไปท่านจะเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าไม่หังนพาลูอหัมปิเทรัตตะพาลูมีธุละอะไรก็จะเป็นภาระให้กามสติกำลังผู้มีหอกเนือธรรมวิมนนยัยนี่ว่านักโยตองเนว เขาทำงานห่นเขาบอกอยากร่างหินดีพ่านี้หินบนขั้นมันบ่ามันว่มันเท็จพอแล้วมือมันจะหักแค่ก่อนแล้วราคาพระปลาร้าอยาอดดอกเขาสั่เอารับอันน้นไปลาร้าด้วยให้อาหารในรางวันด้วยพยาบาลในเวลาเจ็บคอยเด้วยแกของมีและแจกผลิตให้กินด้วยปล่อยในสมัย เพราะสูงเป็นเป็นมูกจ้างนี่เขาเป็นลูกจ้างเนี่ยแล้วการเฮ็ดซ้อยการเฮ็ดซ้อยเขาหน่หางเงินซร้อยเขาเหรอค่ว่าบอบริว่าหางเงินซร้อยเขาบอกเป็นุูลูทุกองกูเพราะมันสิเสียของสูงเบิ ง, บงบองล่างเบื้งสีมือเขาแหลกยิ่งไม่จักอันรไม่ในเท้านามใช่ยังไงจักขีนออกหรือบ่ออก พุบโลพุบโลพุบโลสวนญทักท้าหัวตายแล้วเนี่ย่างท่านมาหาไปเบิงไหล่ะพระคนละคนท่านจะจมะหรอขีฟ้าเขาเห็นแต่เขาสนุกสิสองหม่นสามมื่นละฮะขันพระประเทศซอยเดือนนึงก็ไม่ไ้อ่ันแล้วสุดท้ายท่านไม่หล่ะมาลงเวลานี่ลงเวลานี่ปูนก็จะแข็งข้อปูนเลยนี่ ถึเขาใ้ท่านว่าในที่ทั้งทีแม่ท่านแปะสหายมาลอยตสอบนะหมออะไรหายมาสามรถวัดโองทั้งหลายกันออกวัดเกอยางย้อนๆล่ะเพรพองานมันทับถงเรื่อยแต้โลกนั้นคนบุมบุ้งเขาไ่ได้ พอเล่นลัวงมาเ็ดัเกือบสองเดือนจงแตไม่ขึ้นมอานยกฟื้วนกปหั่เห็ดไ่ามไก็ไ่ได้จำเป็นกระตุันว่ามันเกี่ยวพายละกับกรเลอีกเ้สวังนและหน้พอค่อยล้างกระเดียดไม่จเป็นรอแล้วก็เอาเบาะตูไปล ก็สมมิได้ว่าอายันเตี๋้อนทีตะปูหรือค้อนทุกอินหรอกรตว่าบาลได้ขีวอนหรอกมัน่าเป็นหรงอจว่ายังไงของพระเจ้ายังมันยัดไหวเนี้ยกิงกรณีเยืูอสุขสตาความขยันเอาใจใส่ในกิจของเพื่อนสุอสมเนินธรรมกามตาความรักใคร่ในธรรมที่ชอบวิทยะเพียนเพื่อจะได้ความชั่วแบบพุทธคดีสันโดษยินดีจะฟ้านุ่งขาวหอมอาหารที่นอนที่น่งนากรรมมีกันได้ ปัญญาเราพูดในกองของฐานธรรมเป็นจริงอย่างไรทําเป็นที่พึ่งของตนหน้าทักษะการทำคือทำเป็นที่พึ่งของตนโยต้นก็ศีลทีลก็จัปะก็เนายไ้ตาบาร์พวกขวดตาบารถ้าเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกันกรรยานามิตตาความเป็นผู้มีเพื่อน ม, มีงามตัวไอจัตตาเป็นผู้วง่ายสอนง่ายอันนี้ก็ทําเป็นที่พึ่งของตนจิตเสือช่างมันเอ็นงเป็นผู้วายาสอนอยากเนอ้อ มันอความมีในความี่ดใดเนี่ยกินการในสุทธกตาความขยันเอาใจใส่ในจิตสรางของเนื่อนสุขสมานิยธรรมการมตตาของฝ่ายในความดีชอบวิทยาเทียมในขจะความชั่วมุทกความดีแต่ถนนี้มี้นพระนุภาพอมอาหารที่นอนที่นั่งระยาตามในทำได้กสติจํมการที่ทำและทำสิพูดแม่นานได้ติปัญญารับรู้ในกองสงสารตามจริงอย่างไรนันาท้ากรลทําที่เป็นที่พึ่งของตน ข้ากทิยำาเมื่เป็นท um, ี่พึ่งของตนเนี่ยบอกวางันเหางแจ๊กพอไปได้ไปเล็กออกปากรุเกลียวเกียวปลที่ปอบมันชุกงาห้ามันก็ถือเ้าไปยี่สายก็ไปยี่วัดซึ่งมหาอันที่กัวที่เป็นวัดมากเลยมันไผ่เ่ยเป็นูุเข็ญนมมโยงกับพระ่หบอมียึดโยขาที่มาเข็ หรือหากว่าเสียคาาถัดน้ำมนต์คาถาของตัวราตัวัมาจะปฏิบัติหนักหนึ่งพูดตีสียงั้หนึ่กเป็นพัดเสียพูดทังนกเป็นทัดก็เป็นว่นออนรีอัพะตังานกับโยมเฮติตายวันน้ก็ได้ได้บังยังไงอยวนอ่อนวอ่อนยัหันแล้วมจ้างเขาได้ก็ได้บงยังไงเงนําในบุ่นไห้ว่ายน้ายงหันแลสมัยหลวงปู่มัน มือนี่โยวมาไ่ยาพระเจายมาพายหา ย, า, พ า, ยหาซอยอนั่นมือพระเจ้าพระสงฆ์โตของเพ่นก็ลงไผ่น้ามือก่สมมนั่นเพ่เฮ็ที่งบหรอฮะลงไหยาพระเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นปีปป น, นี้เป้าเฮ็ดท่านแม่เป่าท่ำ่านแม่สจอนหน้าโคลานหยงานขันงขังพรว่ามันมาเป็นมงคลพรวา่า ไปท้ายเป็นพิบายเพรามานน่นวัานน่นว่าเขาดนเขาเดียวเท็จแรกของครอไค่มันเข่าตัวคนหลอกเพราะแล้วาไม่แล้วที่ของพอาะแล้ว huh. ง uh, ่ายตกตายเป็นมา้าแล้วกขาบ่ได้ของเป็นตะมันเป็นเท็จนักง่ายกับบ่ได้อันนี้เท็จเมื่อง่ายนี่บ่หักทอตายเที่ข้าปูนย์เชิงมดแล้วย่งข้าศึกเทาถลมนักใจเยี่ย ตอนนั้นกต่ปะเด็นเฮโร่เฮเล่ย่ Hello, Hello, Hello. โอ้ย อ, ปป อ, อย่าันจะก็บปัสสาอะเพราะย่านปูนเสียกับป้า น, น, นั่นวันนน้ออ่งซึ่งเนี่งมโมงแบ่งเวลาออก เราถือทาัวบเพี้ยนกับพ่อไต่ทำย่เอ้าูมม่เราเขายุคละว่าเขาเห็ดยังขนาดซูโม่หนิติกุมลูกกลุมเมียบอ่ะพวกกลุ่มแม่ภาวะภาว่าเข้าเห็ดนันนกละซมโม่ยาดนด้ตัดน้ำจืดไปเที่ยวพ้าแหลกเขาด้วยเห็ดซ้ำหนิเมือม่อวนวานเาเห็ดหยาบดอกเห็ดเป็นดอเขาวางขาก กุฏิอาหารนักเดือม่านี้เลยะคัเนี่้าเป่าข้าเสกข้าเอานี่อานนี้มห็ดกับ่าคนเข้าเดือบลงทุกข์กาวไเก็บติงเก็บของอันนี้มันซาลายเข้ากระเด็ดข้อซอยขึ้นไปขอบเข้ามันพระคุณน้างนี้เงื่อนที่ดว่าตระบาดระบาดได้ไม่จากสคระได้ม่จากงานจากเงม่ในทิี่เพื่อนเข้ามีบวได้มจากของพระคุณพระธาตุพระสงฆ์องคเจ้าเฮ้แกหนาค่าซือพเะธาตุพระสงฆ์ตั เฮ็ดน้อยก็เฮ็ดใส่เพิ่นเฮ็ดรายก็เฮ็ดใส่เพิ่นคือสั่ดนจะกลัวเพราะวหน้าก็อลี่อขนสอนของผู้ใเจ้าของเก่าพระเอาไหนนี่ยจะบอกผู้บ่จะบอกขวัผู้บอาจารย์ผู้บ่อาจารย์องนั่นเป็นสั่งองนั่นเป็นส่งองนั่นเ็งอนันเนส่งออกไปล่ะแล้วผ้่หให้นี่ท่านออกจากผมไปจะเนว่าขวัผมได้ ผู้บ่าอาจารย์ท่านั้นผมเหลือสายพันธไ้ไ ด, ด้ผู้บ่าอาจารย์องคนั้นพันธุมะพร้าจะพาลูกศิษไปมอลําหกไม่หันกูเบิง้งผมเบิง้ง่าครแล้วท่านเอาพนมาว่าขวนเนี่ยผมเหลบุญองท่านได้เดียวหนิพัตัวของผมกานับถือพนูอาจารย์องค์นั้ผู้บาอาจารย์ท่าน่าลูกพาล้านไปหมอลกได้พระสัตเพราะให้มันดีก่าพันธุ์เดิมทั้งหมะเดี๋ยวเรพ่อฟั้งไว้แล้วกลัวมาวิทยาล แล้วเรผมผมเขาเราคนนี้ได้อาจารย์องค์นั้นนี่ก็ยังไม่เล่ององนองค์นู้นเลยเยให้อง เ, เขียนให้เสือไปยัให้มันมาให้มันอยู่อุดรคนน่ทอจาเขียนใเสือให้เบอก่าจะไปเด้าาะวันี้แตับพูดหอพูดแตก็ยเนี่ยว่าเสนอิ่ใส่เนี่ยู่ยิ่งว่าเสนอสุดยอดคนน้เห็นยิ่งแค่กลับเด้ว่าเ ผู้แตกหรือผู้ตะก้อแตะรถยนต์วัชแนลสามมือเชื่อมติดกับเนื้อว่าฉันแนลมันควรบะเนื่นงจากเขาเลากับขาหาพรราเหรอเขาเป็นเน่อแเขาขามาสองสามือเขาที่กลับบ้านเข า, าเนเขาที่กลับบ้านเขาอยางมืออันเขาหานันนอยามือนันเขาผลล า, ามาล่าห่อผลสงให้เน่อิมาล่าห่อ เ่ชุกช่ายกจะไปนี่ากับผมนะครับเอ้จะไปสบายผมว่าชนเขาเพื่อนจริงเขาก็ะบไนาวานี่ยนอยจะขอเนี่ยุกช่ายจะเป็นมือเขากระบบนาวาอืมที่เป็นเรื่องไหนที่ถือว่านีือท่ไหนเขากระบบนาวาเขาวางยางเนีเนี่ยุกสายจะไปกับผมนะครับเอ้จไปสบาผมว่านตัวบัดห้ามันไปมาก็่บมาล่าซันั่นวันนี้ห้ามโบมาล่าใหเนี่ยม่อ okay. ิ <in> <in> ีไปใส้ตายใช้มันไป คนเป็นจริงน่าทชื่ยืดเขามาโว้ยพนเราเชื่อว่าจากสัจจะนักพระเจ้านี้ไม่ใชเป็นตรงไหนเนาะเดี๋ยวพ่อเมียครูบาอาจารย์แล้วคูสิว่ายตรงไหนมันไปจังเลยตัวคนนั้อายุสิบเก้าสบปดปีแล้วเมื่อใจมเนเด็กน้อยอ้ทำมมเห็นใจเทเร่ง่อามือตายคนเขาเห็ดใจก็ฝัะแล้วพอผูกเวียนุูกไข่เนาว่าเชื่อใจห่อมือสายงเฮ็นสัก่ะ พุณคหดทุ ica, ้ดยพูดใจคคนที่ไปเนี่ยเขาก็ไม่เหว่วาได้ไงใ้วาวัดโน่นนี่เวมันยก็เคลียมันอยู่ในเมืองมันตัวน่จะเป่าลายอย่าง้ยนเมืออุดที่ซักวัดโน่นนี่เวถ้ากิดผมไม่ใช้จักเทจะทุบทเอเดียวว่าออไม่รู้จะทิ้งค่ออ ฟางให้ง่ า, ายที่สุดอยากไปเที่าอื่นทังอื่นทันันมันก็เป็นช่วงหนึ่งว่าแต่เมื่อน้ำยังเข้าไปวนยุกชุ่นก็นี่สัง่สงซอแสดงให้เขาเห็นปฏิ ป, ปทาพักแงที่ห่างเมื่อทีจะไปเช่งคืนจะไปย้อนลุ่มเรสาสั่นเอาหลอดว่ามันจะก็หลายเยง่ง ใ, ใส่สมไฟเยงไฟสมเบยงมันส บ, บายดีแน่ล่ ะ, ะต้องเห็นในสั่งแน่ล่เมงเมื่ อ, ม, อมาเวอรเขาไมเป็นแล้วเป็นบางวคงน้มเลอเท็จรยาไว้แ่ก่อนแล้วไปบินสบ า, ายใชนี่เขาใส่เงินหยเนี่ยห้อยอากาศดีปัญญกวใส่สเีย ง, งตักปั น, นี่ยมัอนอากาศดีแนละ้วันยังแซงได้ยง คือก็กิเลสขาดแล้วนะ เ, เห็นมาหลายเลยเรื่องเนี้มก็เป็นแน่ว่ า, าเป็นหัวหน้าหัวบ้ามึจงจ้คือเห็นตุ่นผู้บ่าอาจารย์หลายอุยพลอยมีนนยกี่เะก็เห็นอยู่ว่เห็นหมดเกี่เห็นอยู่มาถึงมาสักบ้านหนี้งจะชัดคลายบ้าน ผู้ลงควนลงไปถือซาาโอ้ยสันจะดูสิู๋ไรก็เอามอนแกะพ่อให้ว่าสันทว่าเนีผู้นี้ตีเกมท่องผู้ซาราเขาว่าไงอ่มันเนี่ยมันไม่พูดไปมักคนที่ฟังจริงๆทว่ากะดูสิบวเห็นเนี้ยผู้มูเห็ดผู้เห็ดเฮ็ดที่ตาย กัดกวดอันรอ่ะพูดตรงนูง้หลอมพันหลอมนี่ช่างชาซองอันนั้นช่างชาอันนี้พ่อหายโมเฮ็ดแล้วแนละ้วพ่อได้ร้อยประวินถวายโอ้ยจะมันเบื่อเขาหอือพ่อยู่กับผู้บาอาาร์ก็เปลยนเปล่ น, นังสาเอาควอมขี่เบเอาควมมักงายมาคลายหน้าโศในสังคมเฮ็ดที่วัปปวัตโตบดีเลือดไม่ขมเพราหน้ากระซัมน่ะแหละคนเดียดจ้ะบรามาแรงก็นอนล่ะ นี่เงียเชียงคนจะตามมาจากฉันพาเห็นไหมสินะฮะคนนี้นวดฟางางจะไจัก้อนสุกุตีเห็มหรอย่าสาส่ยอล้วสุกตูดีๆก้อนสุกุตีเห็นหรองานนี่นักกาได้กระ้าง กันช้ามาขี่กันจะเป็นของเบางี้ยเบาตบอนแรกระช้างกันแต่กันก็นเป็นของหนักมีท่านเรือททองกับตัวมันมี่ยู่ส่วร่างกายม่มือมีจีนม่ปากไม่ฟันสึงอาศัยสึงกันและกันัยู่วายยิ้มวาบุขนพั่นแรง ัวปัญหาคืนท่องว่าไปประโยชน์ยั้งคอยใจสิอ่มเี้ยเมื่อจีนทํางานเน็บยัเงีนยเมื่อไป็นชัง้งขุดที่พระมานท่อง่มอันมันยากคนน่าเงีนมือก็ไม่หยิบของส่งเข้าปากปากก็ไม่อมอาหารไว้ฟันก็ไม่เที่ยว ไม่ไม่ใชาหน้าตายของบุคคลผู้นั้นก็สู้พร้อมไปเกือบจะเดินไม่ได้มีท่านเรื่องนี่สอนให้รู้ว่าการงานใดๆที่บุกคนผู้นั้นแกงแก่งบุกปองดองกันเนี้ยก็เสียประโยชน์แกบุกคนช่วงนั้นเอทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันสะดวกคนแห้งเหมือนหน้ามดแดงนี่น้ำหลวงผู้มานโอ้ยพลอยแนี่ยคุยนี่บ้าจะโตกบด่ะ ตะเวนซ้ำนี่ลงทัง๊กน่ำเว้นซ้ำนี่พัดขาบักหน่ำไล่ลบหน่ำลหลังไม่จักอันไหนต่ออันไหนถามพระวนาว่า้พร้อมก็ให้ถิ่มเห็ดตะขอวัดรอดซึ่งก็้า้นอนเว้นยื่นหน้ามผู้ปู ม, มันที่พัดสาวบ่ได้นอนเว้นพอสิบหน้าที่จักเทือกเพิ่มไปหาหน้าที่หันปีหนึ่งจึงสิมีเทือนึง นยมืม่อแรงั้นสิเฮ้ยพวกจะขอวัดอีนี้ต่ออีนีงคอยเนี่ยเฮ้ยผุนหกสุ่มเลยเจา้หาหน้าทก่หาคดีจะของคอยรับใส่รับซอยอ่ะบ่เ ม, ม็ดอันหนึ่งกับอันนึ่งคนลงเหตุช่มือสอสามมือสี่มือพายเสียป่วยมาไหนจังเกีดมือป่วยมาไอ้นี้ชิ้น้ามือพอนุนฟิดร้หลายเด้ รับหุกทิศไหวายฝั่งชุดท้ายจะคิดมาอายุจะกรมาได้รับไหวรายบเพื่อนเจ็ดแปดองค์ในยุคบรืพุรับหลายเนี่ยเพราะเห็นไะไเพราะพั่วเถ่าตายขั้วแถวข้าท่าขัา้วแถวข้าท่ ำ, าาำกาเพิ่งกลับไปงอแงพมกใหมตัวข่าเนี่ย เมือว so ่นมู้นอ่ะมันกะลายตตัวเขาจะเลยอนุโลมรับไหวรับไหวรับไห้ตามทุบสี่กำลังว่าแต่กองศีรบคนบ่ามันคกไฟว่าม่นกุฏิวางสีรับโหลดได้หลวงพ่อมาตอเงินพวันหน้าย่ามือเส่าซะก่อนในมงขึ้นซะก่อนบุคคลทุนพี่สอนใหบ่บ่ตอกตาคายซะก่อนว่ามันกุฏิวางว่ารับโหลดรับโหลดเนีย ท่ว uhm ่ช่วอที่สอนหคกบรับตอในตาไพ่ในขวนาพกรุบุญนื่คนรับเลยปู่ะมันมัองแข็งงปูมาหาแต่ผู้อกยังหอนอยกพ่ายต่อรถปู่ะใวันท่างขอะไรเรียกทำพลาดท่าน่านบอกยังสวดน้ามงกรือมึงแล้วท่านอย ว่าถืกเป็นนาทีห้าสุอพี่หน้าเป็นนาทีห้าสือฟังแล้ววีนญาทีส่สิษย์ธดีข้นทนัดวิชามางายวิญญในสำนักล้วงผู้หมันวิชา่าณทนในกินหลายกลัวกับวิญญาณในล้วงผู้หมันวิ่าวิญญาณในสน า, ส า, า, านักคนวิ่า่าณวิญญาณไม่โยมนับถือเที่ยวประจบประแกงมันม่นหันวินีาเพื่อพบคนรอกกินแหงมีในเข้าไม่ได้ กระบโมนเนี่นายพระจีรพัของคุระเมรมางท่านจักอีนอ่เนี่ิดตั้ง้าหน้าจา์สอนมูอยู่ในหันกระบโมนี่นี่รทก็มาเพื่อศึกษาขึ้นฝั่งผัสซ้อนไปทั้งดีเพรอนุโมทนาสอนผัสอนให้มูแตกกันที่บวจักรีดังนี้ว่เป็นสันที่หา สอนไปทั้งนี้พันกระนื้อหม้อทนาสอนเเตรียมสอนให้หมูอแตกกันท่านนี่ตัวเป็นคันขีดขั้นหมสอนให้หมูอขีดข้นนั่โตตัวเป็นขั้นแขนแก่ตัวไปปั้นให้หม้เห็นแก่ตัวนั่โตอย่พงนบ่ไห่ตัสอนมาทั้งนี้พันกรไห่โตเอามาสอนมูสอนชวนมเป็นตัวดีมาแล้วตัวถือขัอนมาหัวหมุนพ่อแห้งแล้วจังไลยเอามาสอน ไม่เอามาบอกถือควันเพื่นหัวบุญเพื่อนแห่งขวันไม้ความมาถือหายถึงดาบนบนเอาควันมาตีดอกมิท่ามักงายมิท่าขี่แบะมิทราเห็นแก่ตัวหมนเพื่อนพ่อแมู่ เ <laughs> รืาา่รว่าจะใช่เหเฮ้ยว่าจะใส่เว้ยไปที่แม่ตัวไปถ้ากินแม่งเมากินินแล้วข้านกอ่อยแช่ก้อนหมสขึ้ยาหลวงกันขาดทางคบเรื่องพราหนาจะมีสำคัญของภัยของมนันอะไร พยาย้ายก็ได้ท่านนะไฟกียย่ขัานก็ได้ท่านนะมันสาคัญในเรื่องเกี่ยวกัองคงานชวนลวกกกันเนี่ยคนนึกซัก เ, เอาหูคนนึกซูเขาเถื่อมเออดังกรณีเนี่ยนะทชูส้สามเณรทะเลาะกันนี่น้ำลพบุญัานานี่ยบ่ได้คู่ไหนทะเลาะกันไรนี้สังสองมัมันบนสมรกสหกคนว่า พุ่นตระหาพวกควายพานนักเลื่อนหมดนชำาหละดี้วนั่นวันหนีมันวันปฏิบัติบันเปนวันถึมาทะเลาะกันนรอไล่ขานี้เลยไล่ขานี้ถึงสองวันมันถึงวันมันวนถึงมาตัดสินในสวนนี่หรอกคนสัตวนรคือเป็นคนบอกเรื่องสิท์ในสนามเพิ่งจม่มีลูกผูมาลูกลกูมา เพย่อจะชีกับล่าออกไปทังงอกคนสหรับวัดบ้านต้องถือตั้งวันหาภาษาคนยื่อพี่ภาษาหนึ่งตัจะฝ่ายคนยื้อภาษาหนึ่งละตัวจะฝ่ายในทางคุ้มใจเมื่อเพื่อนแต่ชีหันแก่คนนี่จะผู้บวชบวชกับห้างห้างเน้นที่ไปบวชย่นําเพื่อนโดนโดนไปเป็นสังกะรีโดนโดนเพ่ก็ให้บวชเป็นพระขาโดนโดนจะกอนบนวัวมันจไปจับมือเส้นบนแง่ช้นมือนี่มันทอจะเป็่นไปได้หรือว่ได้ คนผู้นี้คนมีสิทธิอมสกักคนสิทธิี่วนบวชย่ำไรเป็นเรื่องของค น, งงง น, ค น, ค น, นว่มั น, ม น, ออ น, ว, มนว่มันเป็นเ ร, ร, รื่องหน้าคือปจับมือคนเส้นล้วผู้หมั้นล้กผู้มหาคือฝันสมอในมือทิศเขาก็มาจับมือเส้นมือบวชเขากข้ามาจับมือเส้นมันจะไปเลยเนด่ยเสมอนี่เออเขาอะไรันบ่มันเป็นสมการเขาเป็นกรรมกรเน่ยว่านะพวกเราข่นบวชมาก คนทางไฟบวชใบ้องขอต้มเนี้ยมา่ท่านเฮียวซ้ำติ๊กลหรมันแล้วก็คูมฆ่าแต้งบริษัทใหนที่บวชแก่บาบวชแก่บนขมิ้นกบาลขมิ้นี้เหร่สิะบวช้นบนี้เหร่ถ้าะบวชแกะบาสู เงาะกันเรื่องพื้นแรื่องทิจรงเมื่อดเมื่อพราไปล่าทิศควรจะเคลียหหลวงพูมันคนห้าห้องครับทิไปล่าพุทธเ้าพระอาจารย์สวดมุโตหุวมาล่าเฮาหิ้งเ่วของเสี่มอ้อยเฮาฟังหิ้งสตัวมึอคอยบ่หลวงพูมันมืห่อยิ่งจะซื้ซืุ้ทเจาปบิระ่าของเอ อย่าพุทธาพิเศษพิเศษโบเตมี่ได้ผลแห่ะโบเมี่ได้สังนะผลแน่ะอล่าายถเล็กพ่าหน่อยกับบเตมีเราจัดการจัดงานในวัดนะว่าเพื่อจะหาเงินได้ก็สั่งกระบะมี่ใช้กุฏิไม่หาเลย้วงหยาดท้วงโนมมาฉลองกรบมี่เอาข้นหนึ่งสลองมันวางนากระทั่งอย่มก็เอาตีนหนึ่งฉลองมันคนวาเฮ็ดขวเฮ็ดพานก็ตีนหนึ่งฉลองมัน ราให้แ่บุญแ ล, ล้วเธอจิงรู้ว่ า, าเเรื่องเฮกันจัดการจะงานแลนวัดนั่นแลนวัดนี่หัววัดนั่นหัวัดนี่ก็บ้มีนั่นก็ที่ประชาของเราบมัม ยบนไหก็เห็บุญยู่บนหันล่ะธรรมทำบไหนก็ตอเหตุบนหันคือมาบุกันที่ย่งเดีวคนวันว่างคะวันวิสาข์ามุนหยยบนไหก็โลกบนหันล่ะวันที่ไปบังคับอาจะร่วมเพล่นวันออกครราคือกันเห็น่ออกน้ำห้าเพลินวันขาบประดับดินประดับดอยเพื่อจะนมาร่วมห้องเพอนก็บบนี่ไเพิน เขายุบนไหนเ่ี่ยนุ่งเขายุบนไหนเขาก็อยากกินอยาท่านวัดเขาอะ่านเคยมาที่ไหนนะท่านเขายุบนไหนเข า, าก็จะเคสของเขาเองออพระที่จะมัดสายาาอ ย, ากกย่าเขาเขาจะไปจากไม่ซิดไม่สวงน่ยพระเขาเขาไปท้าพระเศีนนหนึ่งขาม้อนพื้นนึ่งก็ไดเขาก็จะขยัพระเขาตัวชิบิยึดเขามายุวั ต, ตมัมันถึงม่แย่หมดตลอด มันเจ้าม wow. okay. ah. er ันคอยคอยมนเจ้าออแลนสล้องอันนั้แลนจัดงานอันอันนี่จ้างสูมือเรือกสักก่มมีเนี่ยซูมือนี้มันเป็นเป็นหมอละมูพ่อมาห้าก็บอกเขาต้องบานสู้ตายซือจะไปเอากูได้วหมสันละพระเยอะกว่ามีวัหมสันละ ว้วจากมานั่งพ่อสาพ่อหมอนนะครับเมื่อแกโยนสูน้าเขาโยสูนะครับพระทนี้อยู่แล้วครับกูว่าเขาบ้าลำบากกูว่าเขาลบากกูบัจันเนีบาทรู้เพือปัจฉันาชนะย่นอนทนแต่ฟังร่ำกันไรกูฟังว่ได้วะซือมาเอากูไปม้บนยัวซือยู่หายครับ อบอกกัดเล็กกัดฟ า, างนองอ่งนะวดร้อปวักันก็ยืดตสูบไ ป, ปหน่อยไม่ได้ใช่หน้าก็ยืดต้นสูบไ ป, ปหน่อยไม่ได้ไม่ได้ครูก็ไ่ได้อ่อยังมากาปปเลยคตายครูกเอากันไปฟังมี พ, ะออพออปประเจ้าพระสงส์คูเอาไม่เงี้ยข้าว่าครูตายสููไ ป, ปะจะไปะก้มนานล่องแล้วนองคูตายแล้วน่อง กูกะจตายเื้อน้องุูน่ะนั่นละทำบุญหาน่องเขาสั่งได้อะปล่อวะบาลเขาสับอกทุกปาลบอกพี่สาวใครน็ไดพี่สาวยังพี่สาวผู้เดียวนั่นเดียวนี่นั่นจะเถอัเถอะแก่ไปแล้วจะตายกูเมือนไปท่าปาเพราะว่าคีสนามแต่ลูกแปดคน ลูกแปคนให้เป็นลูกลาหมูปีปีจะรวมกันเื้าหนูเจ้จังเดยเป็นจังสี่ย่งพี่ชายทุกอ่าคุณได้เพราะพีกี้กระดูกเป็นเท่าเพราะพอพ่อแม่พี่ชายผู้ที่หนึ่งี่สองลูกเป็นบ้าเปษาว่าก้าตายบวชละข้าเลยเพราะพี่กี้กระดูกพ่อแม่ละข้าจังเลนี้มาบวชข้าแม่เอา้าตาย ข้เป็นพระ อ, อยู่แม่ตายข้าพุทธ้า่เอยมหน้าพุทธเ้านาะพุทอยู่ไหนนี่เจ้อยู่ใหนจะส่งออกนอกเนาะวะจัตต์เเป็นพระ อ, อยู่อยู่อดอนแต่เมื่อเช้าอยู่อดอนอยู่บันหยา่างหลวงปู่บันหย่างยังหูไปฟังบริกรรมพุทธพุทธพุทธเจีายังหูกดไปฟังใส่หูพุทธเลยฟังเหี แลบแจ็บปันห้างมานะปันห้างมือป้ากระดูกเพชรส า, าวมดคนอันนี้แปลกส่กาลุ่มที่ตายมิดอนอนซอนตายค้าพุโทโธซ้อมือจาหารนะที่น่ะแจ่กกอนังกระบอกภาวนาอยู่บัดกล้ที่ตายกระบอกอยู่นางอดอเมยอยู่ โหนงอ่อนนิสสุเขากับนางอ่อนนิ้สัตยตายข้าพุทโอแม่พูนีงพอจะ ต, ตายข้าพ่อมาหน้าพอมุ่งเชร้าอพ่อทิ่ตายเดี๋ยวมากลวัวในกินหน้าแม่ดูเว้ยเาะเมงเตหูดูเตตาาะพอที่ร้าการพ่อมาหน้ามือเช้าแล้วพ่อทิตายเลยนะอันนี้นพออ่อกระชังว่าแล้วละ่ะโอยว่าให้ว่าห้หลา เมื่อจแม่ลูกแล้ตเบื้อแลูกเลยไวสันือเ ม, มยหลายแท้ไวันจบก็บเป็นพระอะไรจฟ้องวะไระกจกัวัดตายอยากนอกโลกอันนี้วสันชิน้อนจายเราก็อยู่ไวสันเอาละอว่างแม่ลงกสรุกเลยคอยโจม่ลงว่าสันว่างลวไปออ่อนซ่อนรู้ตัวเองสื่อย่ตาหรีอาววนี้อะไรขอทั้งนี้น่ยบัติตายนบมือป่วยยู่เดือนนึง ที่แรกันลงท่องล่งทอง่งทองแล้วซักเป็นโลกอะไย่งันสมัยนั้นินจะอยากหักไหมสองวันที่รไรเจ็ดที่หกนั่นแหละสอันที่ไรเจ็ดที่หคนว่ากินเขา่าว่ากินน้ า, เ ด, นนน า, าเดือนนึงเวยหนุ่มก็หนาเหม่อนดาวเสีาเดือนนึงก็ครับกินน้าว่าจะเอ๊ะเออกินบ่ไรเขาว่าจอ๊ะเออกินบ่ไร ตั้งเ่ ก, กินเ้่ามเขาก็เน่าเมื่อกินเขาเขามักกินกบบกก น, นอาเนาแล้วพิหนาเพียหลัางเนาะเดือนหนึ่งบัติตายแท่นกมึงไอ้นกมึงเขาลบควจายน้องเลยว่าเั่นมันย่านจายเขาเขาล็กวจายมันเปนของกินนง่น้องเลยว่า่นไม่มสาดมีพ่พอลูกเอียงเขาจะอยรวมกันเนาะพันเมืม่อยแล้วก็ลกแล้วไปว่า่นหัวละ เจ้บอกสักทีละสามจ่ายพ่อวนหน้าต่าันหานาที่เมอ่อต่อแก่กัดทอนมีเงินบาทเยอะขนาดสั่งฉันีูยังนมีอุปสรรคมาช่วยกูก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหือว่ากูตื่นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ เมื่อนกูกระเบิดได้ละปีนี้ที่เดียนกูกระจงไว้แล้วเอาของกูนี่แหละเ็ดวัดขึ้นห้องเลยเข้ามาอยู่บ้านใหม่ป่วยอ่อยเข้ากัเบือดนะเขากบือด้องกินชิมกินเสียวันนั้นไ่ได้กินในท่านกวจะไปวัดได้ก็ไก่เข้ามาเฮ็ดวัดง่วงแม่กูก็ม่อยู่กูจะขายกูจะขาย่วงเฮ็ด กุฏิกระสับเงนกูก็เมื่อละส่วนสูเลวแต่สูสิออกกุีิเป็นตัวสร้างสตินะครับเอากุฏิล้างนึ่งไอเต๋อเผาเ่าให้พฝัได้มาอยูใช่เด็จใช่ได้วิสัยเขาต้องดีท่านเห็ดแหลวอีมนี้เนี่ยไอหมวยย่างเนายไอปวข้างนี่ยข้าวปวยไอฝันว่าไอเรอห่อคือเร่ออากาศของชาเอยั ไปลึไปั่้ยงหลอกพยข้ามแม้ที่นีล้วแ่โย่างทีนนน่นีตายคนที่แก่แต่ข้ามองสตายคนตายเนี่ยว่าว้แท้ยังดีดก็จะคือคนตายไปโชคไถ่ไบ่ดีไปสั่นเมื่อก็โศคไ่บ่ดีแต่มื่เกิดผลวางไหนสั่นเกิดผลวา่ดดม า, ม, ามันยิ้มเนี่ยมิแต่ไยเมื่อึือมาผ่านสนามทุกแข่งที่จะตายทุกคนก็นกตเคียมตายที่ตอพ่อมาหน้าเขียบตา ย, ตตายกันตัว บัตที่ตายเนี่ยบันส์สคัญถืกคิดถือกถ็อกกกถือกือคิดก็ถึงก็ไปแบบไงละ่ะมันม่าคือพระสดาัตบันทึกกท่าข้ามี่อนาข้ามี่อาหันอันถอมาถือกคนมนถือเพราะเ ง, งททคนคนนเี้ยซ่งพุททุกน์คนหนาในที่สาคัญบางข้าวไก่ทีิตายมาแล้วลึกถึงบุญล้วก็เลยตายค่าแล้วก็ไปห้าบุญบ้างแล้วหมดบุญแลวจะมาห้าบาทที่เฉ้าสั่งไว้ บางที่สางกุศลพลบุญไว้ร้ายก็ได้กระซังท่านศรีภาวนาเพราะเป็นกีตเป็นโล ก, กีเพราท่านแน่นอนเม่อด้จิตายบันดานไปนลยหรถึงบาป ท, ที่จนในสางสักแต่ไม่ไปฆ่ากันก็ต้องไปห้าบาปเจ้า ก, กันหมือนบาปจ้าสิมหาบุญนึกถึงบุญตายค่าไปห้าบุญเจ้ากันจังมหาบาปมันว่ า, ว า, วา ข, า ข, าาขาึ้พวกพระโสดาวันจะไปฆ่าฆ่ามีหนา่ามีพวกพโสดาบันพิษอับาปจะพูดเหมือนอะไเไนี่ยพวกนี่ย ตยยืนตายเดินตายนั่งตายนอนยังกรสร้างฟ้าฟ้าห้ากีนนี่ยงก็ตาละวะมันก็มีสุขธิที่เป็นไปแด้เมือเกิดในตระกูลสูงอีกสัมมันเกิดอีกสามศสเ็ดหรือสาสหนึงก็ได้อานาามาทิยันตีเม่เกิดบัตืออภพที่แปดมีดําพีสังเตนะ่งนั่งวันนี้จังเอเตนัเจนตวที่หัวตั เัื่อดาวัน ส, สักร์ขตุปนละมัถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่ถือเอาพบที่เปดอัต ม, มามาลียันติถ้าเารียกกลางพระเจ้าถ้าถือว่าของเพื่อนถือว่าของผู้นี้ถือว่าของเพื่อนถือว่าของผู้นี้กขี้เหวี่ยงขุ่ขย่อมเส้อเปรียบมะะันกะับเมือกับนีย่แล้วพุทธศาสนาทั้งมหาลีกาแลามมะทร้งมรรต เพาทังไตโรกระแทนี่ก็ดีเทากัถือว่าของมาพุพทธธรรมปรสงค์ซแล้วพวกิงของเทากับบมี่พวมเชี้อปี๋วกเากับบะหมี่อะไรก็คือกบดพ้ถือว่าขอเพื่อนขอพวกนี้คนกิงมันกับนี่เนีเออพาเอาหาเพ่นกับอกให้ทนสอนเอาให้ดีพอของตล้วเพ่นไปคนละ ่าทั้งตัวเาพยคนเลิกคนเราคนอามาถวายเฮาพี่เพราะปจริงกับคนที่ปรวายลูก่นมัก็สันพูดมักระตื้นพดนเลิกเราถนอมถวายเฮ้าพี่เพระเรา้เอาให้โตซะละเพราะเป็นจริงเขาก็มีอยุคจะไปให้ลูกโตอ่อนหวานนึงสมัดกับบัตรสื้คนเลิกต้องทำทามาให้หัวหน้าพี่สรแล้วครับม่เลี้ยงต้อหัวหน้าพีสะดวกบ่สะดวก สิาสารวสสาลวัตนึกก็พวกนี้เนี่เาก็มีอยู่มีเขใส่เสองคดก็มีเขาใส่เขาใอยู่องพอนูนันหน่งเป็นคนป่วยเอาขึ้นมาให้ผูนันหนึ่งาสนมันก็มา่านทางซ้ายของพูนอาสันายกํายันก่อนอนี่นงงแล้วก็อือเอาหอตัวหอตัวไปใส่ซะนี่มาทมัสตูองค์ละล่ะ ดูเรื่องหลวงปู่วันเรื่องของง่ายๆว่อิปโปอีเมลย่างติเกะอาหารไม่ได้เผายู่งว่าจะของเหล้วพระผู้น้อยพ่อมันคันสามชิดเลยพ่ป้าเดียวก็นี่ซ้ำเด็กเกียพ่อขันสามชิดเลยแล้วขันเจ็ดชิดยังเสมอหนิเกียอาหารัน้มูมูกาแให้กุกระบกินเสตัวเส้อใจมูผร้าย พาในขรดไปเนีน่ก็ตามรูคูณบาอาจารย์ผ่้วตาผูก็ะติบผู้เอารูนนาคนนีงรวนะคนนีเพื่อนี่ขาที่เอาพื่อนี่ขาที่เอาเพื่อนี่มันดีพื่นนี่มันงามว่ามีในสำนักขอ ง, ของคนเป็นเรื่องของผู้อื่นวดเด็ดด้วยบ่เด็ดแิตะเกิดภาษาคนค่อยได้ยินบ่ค่อยได้ยินเอ้อยิานนี้ผก็ไม่ค่อยได้ยิน คนใส่ของวิเวรากี่ได้หลวงปู่มันของอนไรที่พานอมถวายโดยเฉพาะคนคนยังใส่เลยของอะไรเขาที่นอนถวายส่วนโงคนก็ไม่ใส่เด้แก่หังคนผมว่าทํามา่นาติให้เขาเดือดร้อนวทํามาร ม, มาตมั่นในาตให้พระเจ้าพระสงฆ์หงจักพูตาเล้หุ่นจังหงจักลบปู่มาหายจังอานออกอ๋อ ท, ท, ท่านจังเตเ้ดินีมาสั่นท่านชอมึงเนื้อไปทั้งสั่น มบงงนความพ้นนี้ที่ได้ท่านไหนเ่ามาถวายเจ้าพนคนกับคหัวเงินจีงะไใช่ไคนเนี่เขาให้ลูกเขาเต่าอยู่คนคัดที่ยังไงเขาอาให้จ้าตวเลยเขาจิไปรัดฟอง่างังี้มาถือคนอย่ยุบันคนอยู่วองชัดอรวาคือเบงลูกท่นคอาอาจารย์องค์หนึ่งเขาบอออกซือคนพอายาบพายุม ไปซื้อผ้าในเมืองมาสองไหมถือผ้าไปทำบุญกับเพื่อนในการง่ายมัดไม่เนื่องเงินเป็นผ้ากาใไกลตัวเดียวเอาเห็ดผ้าก็ข่าสักปัยังบางขึ้เเกี่ยมใม้ปอเนี่ยที่สั่งเอาถ้าค่าสองสันหรือหมอปัดยัง จริงๆนอม erm ึงลอยๆล่กาไตตัวเดียวซึ่งกาไตเก้าตัวนั้นเชา้วันพอดีอ่ะนะนกับก้รหันทไมเนี่ยทำมามาบางสกุลบนแล้วไงมามาหอดเพิ่นะับโยมจะเก่าก้นยุกคนมาบางสกุลบางคนว่าเขไไเนเ่ยกระปรับเพรัะเขาไหนครังรับแล้วนะ กปุม้มานคนฉลาดเนี่โอ้ยอควันีมน่มว้วนยิงวอนพ่อเมียคูจานถ่ายฟ้าแต่เขาเนี้ยสนน้อเขาก็ทีอยากให้พ่อเมียคู่บอาวจานใส่แล้วแต่คู่อื่นตัว ท, นะที่บริสุทธิ์ฐานฝ่าเทียมย้วหมดแตู่อืนกับบริบูรมือแหละแร่ลูกเต่าก็ดา พอทาย้ออษาเอะอันนี้เขาน่อยเขา่ปจากกลงจับตุนไว้จับถวายพวามมียผู้จานนุ่งหัวเขาเนี้ยเขาหน่อยสืรับตัดรัดยงอบให้พวามเมูว่าจารบุญว้่างน้้าอยงนเนอื้ายังทอ่ะนี้วออกพษานี่ย่็ตามก่ตามเม่อล่าความเมผู้จ่าเล่ยยังบ่หับ เวลาข้อถอยตะกันบอกเขาอีกสรับีเหมือการเรียนอีกแต่แรกเราูมาผัดเพลเพลิน <c> ว <azu> sure ่าหามข่าก็ถอยออกตะกันก็ไปฟื้นกับห้องมองง่ยอีกแหละเวลาจ้ามาทันตัวต่อขาท้กถอยสะกันเชื่อยสามี่อขไปอีกก็มึงอาเริ่มกบมึงทนอยู่ดีๆตะกันโอ้ยเรื่องนั้นย้วมาทันแง่แล้ว ห่มว่าอาจารย์ชองใขาเจ้านี้อเจ้าก็ตั้งใจมากเลยเรเียอะเจ้ายอาจารย์ท่านะเจ้าก็สีเอาไปว่างไว้นั่งลอกสล่ายู่นทางบินถ้าบ่ชนรัวพอหน่อยสงสารเจ้า็แต่งเจ้านึงแล้วตก็่หน่อเรงไนรถ้ามาห้านี่กั าหารกรติ น, นก็ับพ่อดีรร่สนสานะทานมหาเจก็เป็นมหาเนี่ยตั ว, วบอกว่านี่าะไร่พอสังเกตพอน่อยจะเป็นเรื่องนูงน้นว่าจะเห็นเร่เป็นเครวะห์ถัดนุงผาา้าผสมคาในีท่านมาบนแล้วพอน่อยแล้ ว, วกอพูดนัน้นเป็นคนเป็นคนบ่นมันมหาเศซื้อไ ด, ได้ทั้งปริญญาปฏิบัติเยี่ เป็นพระเทวทัตลงผ่าผสมคาอะไรผ่าผืนนี่มันกวนเป็นของมุกพลาสาวุฒิโทองค์เจ้ารัดมาเป็นของพระเทวทัตได้ลงไปเขาลดท่วงแซ่ลแซ่หรือกลางนมันจะเป็นเช่นสันตีแหละขอน้อยนะครับขอน้อยมีเอวดอสขอน้อยตวายขอน้อยทุกอย่างนั้นก็วิ่งว่อนเมตตาพวกขอน้อยได้เมตตาพ้ะเจ้านด้ขอน้อยพระเจ้าพสสมขอน้อทุกคดบริุย่งหย่งหย่งหย่งได้ขอน้อยเดียวลงไล่เดียวขอ ข้ตัดแล้วยอมแล้วขาเกานี่ญาติกันฮะเนี่ยพระตัวว่ได้แล้วเพื่นที่เทียงตัวคนหางไง่พื่อนบคนหางกลางเนี่ยก็ได้ล็อบูี้รวยอะได้หลายขวมือเพ่อนไหนแบบคล็อบี้รวยเขาบอกยาวเขบอยาว ไม่ไดล็อกปูรุยยังตบขวาตบขวาตบขวาได้เดี๋ยลอกูรยล็อปูรยแล้วเอาเดี๋ยวลอกราอกป้รุยเอาแล้วนะล็อกปูรุยไปละข้างในยุบบันอุดวงถึงแมนั้นท่นว่าได้บริการมัตช้าหนึ่งล็อกปูหมันสำนักช้าบันอุ่นดวงใกล้ใกกันซ้ำเนี่ะซําบันอ้าวหนึ่งซ้ำเหมือนเล่าเหมนี้มากยุ่งวะยุ่งวะนี่ ไป เ, เดินดมที่่นนี่ท่านเลยมุง่านเจ้าที่หาู่มีคนกั๊บไกับมากับไป ก, บ ก, บกับมากับกับมาเดนเนี่่จักมันสัน้นหรือมันยานหรือมันคุณรัชี่ยอดกับวิจักาันพ้นเรากินท่านนี่พนี่ยพยรบริสุทธิ์ก็เขาได้นี่ย่าน ห่องขึ้นเมื่อบรินี้สุดเพรเหตุใดวะฮะพระอยากได้นาโตไปเที่ยวปันญาติโน้มนะมาถ้าบุญก็เพ่าหัวใส่จะผู้อื่นเอาไปใช้คือจู้มาถึงเท่าได้ธนะห้องของบผสมนะเพราะว่าห้อเป็นผู้ใหญ่เนะมื่อเป็ี่นว่าชีวิตญาตได้ผาทุ่มหนึ่งโตอยากได้นาโตแล้วไปวุ่นญาติวุ่นโน้มให้าเขามากบังสกุลเท่าหัวใส่พระอังวะใส เท่าโบขวัญใส่ถ้าจะเอาอันบริส em? like ุทธ si ิ์มาใส่ไหมไอนที่เขาบังให้เห่าบริสุทธิ์นี่ดอกองไหนสีไดองไหนสีใดแบบไดที่ก็ให้ออาซักอะไรรับพันราหาเลยนี่เหตุแล้วมันผูกจักกึืนมาได้หรืเท่าแล้วมันคุณหรัดสียอดบุหรือมันมันรูจริงก็ไผูจักว่าสัมันคักร่สันคนว่า อุ่ลเอียดก็ได้น้ตภูมมันเป็นว่าจีวินญาณภาพกันเองว่างท่านถากว่าเขาเน่ยโอ้ยถ้าเขานอยไป่ํ้าบุญกำลังภูมันเนี่ยเขาหน้อยมุจัที่สีเห็ดมัจจกมีที่สี่ํ้ำผาตะค่าเนี่ยเห็ดจังไรผากระบองเนี่ยเห็ดจังไรผาจีว่านี่เอาเนี่ยไรเมื่อบอกพวกเขาน่อยแนีถ้าพวกเขานอยเห็ดแกบเขามาปึกซ้ายจะเสิร์ะ เลยจักมากนะเขาเขาดีมน่นมากด้วยเม่นนู้โตจะได้นาโตก็ให้คู่บ่าอาจารย์สุดๆปั้นเขาไปขูดเขามันกับผสมานาาะนเขาอะสำมน้าเขาไม่าวอาเทาาไรไปอั ญ, ญัดกรบพระกอเนี่ยมัจะขุดไปเขาทบบ้านเส้นหนึ่งว่าครับขุดอะละเอียดบ่หรือบ่ละเอียดลูกปูมันนั่นเนี่ยละเอียดบ่หรือบรละเอียดตัวใหญ่แล้เเติบเนอืย ดันอาหารเธอเนี่ยผู้ไปแทงอาหารไอคนู่เป็นคนงูดิบูมหาเป็นทรัที่หนึ่งอาจารย์ว่าเั้นทรมี่สองตัวชิมร่าเขียงวาแหงซ่อมอับบาด ท, ทนไปล่างมาไปล่างซืคือเด้มือนีเฮ้าแทงยั้งให้คนคนขันหมดหลายหแดเลยคนนั้ต้องกระติบกันต้องสังเกตบ่อยคนจักได้ เท่าที่มันมีอยู่แหละอาหารเ น, นี่ยมาแ้งเพื่อนวันนั้นนครูบาอาจารย์าจะบัดครูบาอาจารย์แซงสูงบเฮม่าล่ ม, มาอย่อยหอยจะ อ, อยเนมือนี่้ขาอาขาอกเขาอกคนนขเขาแกงนขเานขาเอาขาอก น, อนี่สังเกตดูมวยเพื่นหุจัเ้พวกนั้นพวกนันแล่มยเพื่นหุ่จัดเวลาที่อาบาดก็ลังก็สิบกันหุ่น หลักสมุมดนี่นายจกเขาออกบาทขึ้นกันเพอาะรู้มี่เป็นเนีอนนนเน่อนัอนต์เลี้ยงหน่อมีเลี้ราโอ้คนขึ้นกี่คือคาดว่าจะมีว น, นั้นันมือรุ่นมากนมันมีมาโดยเป็มคำเก่าอ น, นันต์ไม่ให้เพิ่นอีกคนเอาให้เพิ่อีกสองสมมือทามานเด็กคนนี้สร้าะคอ่อยจับพิรุธไหนน้องกูว่ามักการันตีว่าักตัวนี้น กันฮห้องที่นั่งพนเพื่อสับมาผลประชาสัมพันธหลวปู่มหาเนี่ยสาดกมู่แม่เนื้อซ้นั่นแะละมันจะั่วบาดคนกล่าเลมื่อนี่เข่ามดร้ายมือนี่ปัญไมือนี่อาหารมดร้ายปันไรพฤติการของคนอาการของคนทดเย็ดทนป่วยจะไปทำเบอร์ลุกของคนบอกไม่ได้ไหเพระไม่รู้กาจ่ายนตาโป้มืดหมดตัว เพื่อนเอกศิบอของเจ้าของหระเปล่ามาถามสอบไปหลายว่็นปยังหน้ามันเอาว่าของิบเจ้าคือไปถามเพื่นแดงบอกค่บอกครอยแต่ไปบึงเพื่อนป่วยท่านนี่ยพนป่วยในวัดแดงแง้มกันไปด้คนป่วยในวัดขันไปป่วยลายะงามนึงแามสองง้มสามไปบึงแดงกันแง้มสามแง้มสี แค่ละสมองค์สี่องค์ก็ดีทค่ละสององค์ก็ดีแน่แต่กรณีของพระนี่ในฟ่ฟรีแน่นั่ น, นปวยทั้งขี้ทั้งขิงต้องชัดชัดยามไปชัดวันสัดยาไปอีกตามสถิติกำลังของพระที่มันนี้อยู่ในสังคมนั่นพระนี่พระว่าให้การน่ะย่ามนั่นพรจะติองเป็นยังไงพระให้การว่าถือกันต่าอีกเลยเนี่บอ คนหว่าไข่คนหึงมาบอกไงเแล้ยวเอาอะไรเบ้านเดีย๋ยไบกไงละบาดด้านเี๋ยถไปไปคุยกันก็ไม่ได้อีกละไปเข้าวหนา้าไปเอาหมันอยู่อะไร้่รับใส่คนไ ข, คนข้คนปว่วยคนไข้ค น, น, นป่วยจะคุยกันก็ไม่ผด้ไปเอางมันเาวนหน้าอยู่บบว่าแยไขเบิ้งคนไข้คนป่วยคัดของได้อะไรขี่ก็ดีเงี้ยวกว็ดี ข้เน่อกับพระองค์นึ่งองค์ไหนกี่าติเราก็จายไปแล้วบอกว่าดอกป่วยหลายอยู่ยาบิต้องเงินเพื่เงยาก็ปั๊บป๊บปับไปแล้วเป็นยังไงโอ้ยป่วยหลายเลยก็ไหนจังวถ้าเสียงขันหน้าลิขกาคือกอดกอดด้ว่สแจ่วระมาป่วยหลายแถววะสันหน้านิขกาว่างบางนึงหรืแม่นหมอสิม้วนลางน้าลิขการ์วะก็ได้จัดช้อ คนนีนาดิกาเิน่องหนึ่งงห้างโตที่ตายเลยยงมาหมุนหน้าดิกาเหรียยูสันก็น่าดีใจ น, น, นะแต่ อ, อ, ยอย่งเช่นว่มหมุนใสธธรรมะก็สัตว์องค์นึงผิกูหมนอย่างได้อได้เรางผู้หมนทั้งวันทั้งวัาัน ป, ป่ากาฮาร์ป่ากาไว้วออก็รอะไระไรายดิยล้วนเนาะ ราคาไม่เกี่วของกลางเี่ยแบ้เอาหนัง <around> สือมาบยน้อยบมีสีทธิ์สิบาหนงนมาเห็นเนี่ยงานก็ตักตักมากตตาเป็นไรจะได้ตาทีนี้นี่มันก็ปูหมันก็ตาเขีเห็นยังลูกนังสือก็หน่อยเช่งานคืนว่าเทงคุตตีอะไกะนขั้นข้อแล้วบาทเลยขั้นอ่างกขั้นแห้งดอกนี่เด้ไม่ยังว่าเป็นหนังสือว่านี่เด้เป็นว่าเป็นหนังสือ่อสแบบบริสุทกัน แล้วแม่เพิ่้ื้ออกปร้โโอยสันเ่นนี้เทียบกับูตฮู้งวนเตะเลยซื้อกำลังปูมหากำลังปูหมันทั้งวนังไหคมหูทั้งย่านทั้งหานทั้งงวนท่ว่าเนทั้งสนุกฟังเทศมือนึ่งว่มันอันนึงกอันหนบบึ่งแบบเกวเกี้ยวเก้่ แ่นี้เท่าเรื่องเป็ดเป็สีเปัวงอดเป็นสีค่นี้มันเป็นสีบปกวงเะเป็สีแค่นี้แ่ละมูกไตไฟไปแเนโอ้ยอยากไฟมากแค่บ่าเลยลูกฟัเนาะปป็้นตลาดอไอเอออเออเอเออ เอะักษว่าสักษาะพ่อว ะ, นอะอหน้าเ่าส็แล้ลักษาะพอวหน้าเ่าบ้านี้เขาจะเอาไฟไปใกล้ว่าสิบ้านนี้ให้เคียวตัวดีดีพ่าวะหน้ารงดูว่าสรักษณะพ่อวะหน้าว่าสรแลรวลักษาะพ่อวหน้าท่านเคี่ยงแล้วไฟคนนอ้นว่นนาสิว่าสิผิดบ้าว่าสิเขาไม่ได้เอาไฟไปใช้ตัว่าสเขาเคี่ยว่าจีว่าส ไปแน่นเน้นว่าผู้มาเรื่องพรอยบอกเขาทดสอบตัวสัตวมันสิเก็บหลายประเดว็นเดษษษษีย๋ยวเขาเนีย่ยผู้จับพวีนัยเพระว่าผู้ป่วยต้องอดทนต่อทุกขาเวทนาต้องผู้จัดอาการนักงขืนหรือเบาลงม้อเป็นคนแสลงหายกินของแสลง มีพวีณาอย่างผู้ป่วยโตในเฮียนเราบอกี่อันนี้แค่ว่าในเฮี้ยนห็นปเฮียนสเซียนหาของแถลงอดทนต่อทุกขเวทฉะน่าเจ็บวันไหนปวดวัไหนใหบอกคัไมได้เจสแสดงข้อมนแอร์แต่โตมาผู้จ้างก็ให้โตไปเฮียนซะก่อนผู้ปฏิบัติขดวยไปขดบอลังเกียจของโซโ มันเป็ น, นยยข้นยาเสยังกระโจนให้เอาไปล่างได้ขี่ขให้ซัดได้เป็นคนมีเมตตากนรู้หน้าเองด้วยถ้าเป็นคนหูจักว่ะยาที่เอาไปให้นี่เป็นของสิทธวขึ้นห่้หรือเช่ไหนหูจักว่างยาเหรอ ย, า, อยาที่เขาสั่งไว้หม้อสั้งไว้ก็ดีหรื อ, อยาที่เล่าออกมาก็ดีก็มีอยู่นี่เราหาักฟอกหักฟอกคนป่วยก็ดีผู้ปฏิบัตคนป่วยก็ดี ขันยพา้นขนยิ you ouais. ้งไ่เสียงพื้นเสียงพาพื้นเมื่อสัวไดยินงไดเสียงลูกปูใหม่ได้ยิ้งไดเสียงลกูมหาข้าว่าลููมหาอะแต่ปูตอวมื่นมึงตอควหนี่มูมีดอกขันว่ากางาเกิดขึ้นก็อยกันทุกขทั้งงอหลดได้ยินไดเสียงงานซืผู้ไปเฮ็ดกษี่ ให้ถือข้อไปต่มก็บ่าไรว่าถือกับธรรมะเพื่อนยางนงวัดเอามือคัดหลังกับวะงีเริ่มลดภูมิยางย้อนขาขิดน้ำผ่นแลสีกับวะงี้ในสำนักเ พ, พื่นลดขาผอมควรค่อยๆางาคีดสีและส ตรงีเนยรษฐกาเใต้ได้ขอัขอพู Gee ้รีงานแล้วเดินัับเดิสตรงนี้หพ่อู้หมั้หาคือกันทั้งงานสักีบแขว้ไม่เพราะว่าหลวพู้หมั้ทั้งงานสกกีบแขวะก็รู้แตสิตายบอกกัดํากีบจะก้อนก็จะวางเสียหลวงพ่อผู้หมั้นเนี่ยท่าข้าพอะท่านข้าพระบาท่านข้าพระหลวงพ่อผู้หม มันเหตุจะปรมาถูบทุนเหตุเรเบนโมนีบาตเนี่มันเหนจะอนันตาทุกครั้งอันนี้จังอนัตาเป็นที่ทราว่าลูกเป็นที่ทรว่าเห็นมันโวดประชมัมาเกิดพุ่มเหนนมตุน้มนีสะกอนบาตหัวโาโมนีสะกันว่าแ่มื่ออันตรธางเชียบดรับมารับมาจากบินทาบาทนสิเขาบอกดึงแง่เืองสอง อันคือทหารลยสิู่กัในสิเพราะขาไปเขาวันไปโลดอันนี้แบบนึงคุมผ่าไปบิดสะพัดนี่ผู้คบบาลเราเขาไปแบบนี้เด้บนนี้เ่ป็นเองลูกู้มนเพรลูกผู้หารกับพนี้เพราะลูกผู้ฝันกับพวนี้เพรลูู้อ่อนกับพมี ถือเศษมหลาศเศนึงเลยว่ากาวงซ้ำของวัฒน์เชิดเนี้เจ้าอีธานอ่ะว่างอยูเนี่ยพอพอออกก็เส้นอยู่ว่าพอออก่านนี้ดูด ม, มือสีดอกของทัน์เชิดเมื่อกไปดมหมาเมเกิดวัฒ น, น์พปนว่าหิบผ้าไปขั้วแล่วนวัฒ น, น์พปนว่า พออข้พ่อมัน ค, ค, คยดอกข้ตัวว่ะนพอสายหนึง่งหันเอ้มเนเลยแต่ก็ออกตัวดิไปเรียที่ไหนันี่เขาเด่นไหววะในใครครี่นะวันนี้คือวัดียววันเด่นก็สุดปากอยู่วะวัเล่นเล่นกับอะไรเล่นคงยอกของยอกกับอะไรนั่มันเปนเน่ล่นนี่วนว่าเศร้าวันนี้ก็เพราะเป็นเนี่ยเ่นเนี่ ว, ว่าว ลวนแน่แรงพระก็เคื่องกันห่มนี่สเสมอนี่พระอ้าไปจะชี้ได้ห่มหมซับิงเขาแดกออกนี่เาจักบางทีเนี่ขาดที่บึ่มออกบึ่มออกนี่นั้นนัน่นรบผู้มหมายมาได้่หละเาตัางห่มอยู่ไปจับนี่ช่วยคอยเอามาซะกันพระเนี่ยไปบินท่าบานมา ไปดินเถาวนนอ้รมเปียกๆเอามาตั os, ้งแกงใส่ข no? so, ีดิตก right? right? ีก okay. so, right? ับบ้ไหนให้โน้ตเขาเห็นแกน้าคาซื้อให้เจ้าเจ้าช่างเขาเอามาไห้เน้นของโตสมบัติของโถไมาศัยไปว่างไ่ดินไ่ดอนยังไงไปตากมัดมือมัดเน้นกับบได้ตาพรมพรมกระดาษมัดเอจะฝอตากฝอเบิ้งอรอางเ้ยจฝเก็บไว้ตากโดนก็บบ้าได้ กุติวิหานเฮ้บิจะชอมมางกรนั่นกุฏิแหละขันห้องแป๊นห้าร้อยละเบินันฝันบิ้นั่นหมาใส่พวงมาลัยเป็ปั๊ดเบิ้ลควบไปไวละน้อโลดเบิ้ลโอยไปนั่นเจงเกียวพ่อเี่ยคือมือนี่คืออนีห่ม มันไม่ไหลายลมันเพิมไดได้เส ม, มอเนี่ยมีเ่องโน้ตป่นันมีสมมติผมตีหาวั้นท่าไงเข้าผูหน่อยหดบ่อยๆสักเถอ